เรื่องภิกษุชื่อจุลการมหาการรักถาพิจารณาธรรมสังเวทธรรมสักเวคปัจเวคขณะปัทถคถาสพสังคารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เทียงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สัพเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรู ป, ปรธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนอันเราจะพึงตายเป็นแน่แท้ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงความตายของเราเป็นของเที่ยงควรที่จะสังเวชอันว่าร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานครันปราศจากวิญญาณอันเข้าทิ้งเสียแล้วจากนอนทับซึ่งแผ่นดิน ประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนหาประโยชน์ไม่ได้อณนนิจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนาอุปทาวยะธ ร, รมมิโนครันเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปชิตวานิรุ ช, ชันติครันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปมสมโสขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง ครั้งพุทธกาลสมัยหนึ่งขณะที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประทับในปา่าไม้สีเสียดแห่งกรุงเสตัพพยานครทรงแสดงธรรมเทศนาในเสตัพพยานครมีพี่น้องชายสามคนชื่อมหาการมัชชิมาการและจุลการพี่คนโตกับน้องคนเล็กเที่ยวไปด้วยเกวียนห้าร้อยเล่มตระเวนหาซื้อของมาให้น้องคนกลางขาย ครั้งหนึ่งพี่น้องนำเกวียนไปยังเมืองสาวัตถีเย็นวันนั้นไลยเห็นมหาชนถือวัตถุทานดอกไม้ทุกเทียนไปฟังธรรมจึงตามไปนั่งอยู่ท้ายแห่งบริษัทฟังธรรมอยู่บุคคลเมื่อละจากโลกนี้ย่อมละแล้วซึ่งวัตถุทั้งปวงอันโพคะและญาติทั้งหลายหาได้ติดตามไปด้วยไม่นั่นเทียวมหาการฟังแล้วคิดว่า ประโยชน์อะไรกับการอยู่ครองเรือนเราจักบวชจึงเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาัทูลขอบวชพระพุทธองค์ทรงให้กลับไปอำลาญาติก่อนเขากลับไปบอกน้องชายน้องชายห้ามแล้วแต่มาหาการยืนยันจักบวชแน่แท้นายจุลบาลเห็นว่ามิอาจทัดทานได้จึงตามไปบวช ด, ด้วยหวังว่าจะพาพี่ชายศึกในภายหลัง มหาการบวชแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาทูลถามธุระพระศาสนาทรงตรัสบอกแล้วว่ามีธุระสองได้แก่คันทะธุระและวิปัสนาธุระเพราะความที่ตนบวชเมื่อแก่ไม่อาจยังคันทะธุระให้เต็มได้จึงทูลขอกรรมฐานเพื่อจักยังวิปัสนาให้เต็มพระพุทธองค์ทรงตรัสบอกซึ่งธุดงของภิกษุผู้อยู่ปา่าช้า พระมหาการไปแล้วสู่ปา่าช้าบอกแล้วซึ่งการมาทุดงแก่พระมหาเทระคนเฝ้าปา่าช้าชาวบ้านใกล้เคียงให้ทราบตกกลางคืนเมื่อมีการเผาซากศพก็ออกไปพิจารณอาอสุภกรรมฐานกลางวันไม่นอนเป็นผู้ไม่เกียจคร้านมีความเพียรอันปรารบแล้วเป็นผู้ไม่โอ้อวดเป็นผู้ไม่มีมารยามีอัยาศัยอันงามทำอยู่เป็นปกติ แต่พระจุลการครุ่นคิดแต่จะศึกออกไปครองเรือนคิดถึงลูกเมียทรัพย์สมบัติทั้งหลายคิดแล้วว่าพี่ชายของตนเนี่ยยอมกระทำกรรมอันหนักยิ่งแล้วหนอจนกระทั่งคืนหนึ่งพระมหาการขณะพิจรารณาศพกุลธิดาคนหนึ่งตายใหม่ๆศพยังอยู่ในสภาพของคนปกติหลอกเรื่องนุ่งห่มออกแล้วเห็นแล้วซึ่งสรีระผิวพรรณประณีตผุดผ่อง แต่เมื่อครั้งใส่เข้าแล้วในไฟอันกระทบแล้วอันว่าเท้างอแล้วห้อยลงแล้วอันว่ามือกำเข้าแล้วหนังลอกออกแล้วดุจแมคโคตัวด่างได้เป็นแล้วและดูอยู่ในการนั้นนั่นเทียวเป็นธรรมชาติถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปเสื่อมไปกลับไปสู่ที่พักกลางคืนนั่งพิจารณาอยู่ถึงความสิ้นไปเสื่อมไปกล่าวเป็นคาถาว่า อันว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปอันความเข้าไปสงบระงับวิเศษแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเสียได้ย่อมเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขขณะยังวิปัสสนาให้เจริญแล้วบรรลุแล้วซึ่งความเป็นแห่งพระอระหันต์กับด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลาย วันหนึ่งขณะที่พระบรมศาสดาสเสด็จไปพร้อมด้วยหมู่แห่งภิกษุแวดล้อมสู่เมืองเซตัพยะดงป่าไม้สีเสียดฝ่ายพัญญาทั้งหลายของพระจุลกาลได้ยินว่าพระสงฆ์ทั้งหลายมาอยู่ในป่าปรึกษากันเพื่อจะจับพระภิกษุจุลกาลศึกจิมทูนิ ม, มนพระบรมศาสด า, สดาและภิกษุบริวารมหาการเถระบอกให้พระจุลกาลไปช่วยจัดอาสนะก่อน พระจุลกาถูกพัญญาเก่าทั้งหลายแย่งชิงจีวรเครื่องนุ่งหม่มให้นุ่งแล้วซึ่งผ้าขาวและเซิร์ตคือพวงดอกไม้ประเบียบมาลาบนศรีรษะต่อมาฝ่ายข้างพัญญาทั้งหลายของมหาการรู้ข่าวก็ปรึกษากันจะจับมหาการให้ศึกเช่นเดียวกันทูนิมนพระบรมศาสดาและภิกษุทั้งหลายครันฉันภัฒกิจเสร็จ พระบรมศาสดาสเสด็จ ก, กลับพร้อมหมู่ภิกษุต่างเกรงว่าพระมหาการจะถูกจับศึกเหมือนเช่นพระจุลการพระบรมศา ส, าสดาทรงตรัสว่าเธอยังได้กล่าวอย่างนั้นอันว่าจุลการเป็นผู้มากด้วยอารมณ์ว่างามดุดต้นไม้มีกําลังอ่อนแออันตั้งอยู่ริมเหวส่วนอันว่ามหาการผู้บุตรของเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งอารมณ์ว่าไม่งามเป็นปกติ เป็นผู้ไม่หวั่นไหวดุดภูเขาหินแท่งทึกแล้วตรัสซึ่งพระคาถาว่าอันว่ามารย่อมรังควานซึ่งบุคคลผู้ตามเห็นซึ่งอารมณ์ว่างามโดยปกติเป็นผู้ไม่สำรวมแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่รู้ประมาณในโภชนะเป็นผู้เกียจคร้านมีความเพียรสามคล้ายเพียงดังลมรังควานอยู่ซึ่งต้นไม้มีกำลังอ่อนแอ มีกําลังอันโทษประทุษร้ายแล้วคือเป็นผู้เป็นไปแล้วในอำนาจแห่งการมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกแต่ว่าอันว่ามานยอมไม่รังควานซึ่งบุคคลผู้ตามเห็นซึ่งอารมณ์ว่าไม่งามอยู่โดยปกติเป็นผู้สำรวมดีแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ซึ่งประมาณในโพชนะมีศรัทธามีความเพียรอันประรบแล้ว คล้ายเพียงดังอันว่าลมไม่รังควานอยู่ซึ่งภูเขาอันประกอบแล้วด้วยศิลาดังนี้อันว่าผู้เห็นอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายอันไม่งามสิบอย่างว่าไม่งามอย่างใดอย่างหนึ่งคือว่าประกอบแล้วในความทำไว้ในใจโดยความเป็นของน่าเกลียดเห็นอยู่ซึ่งผมทั้งหลายซึ่งขนทั้งหลายซึ่งเล็บทั้งหลายซึ่งฟันทั้งหลายซึ่งหนังทั้งหลาย ซึ่งผิวทั้งหลายส่วนส่งทั้งหลายด้วยความเป็นของไม่งามดังนี้อันว่าในอินทรีทวารหกผู้เว้นแล้วจาัด ก, การถือโดยนิมิตคือรูปร่างอนุพยัญชนะคือรายละเอียดคือว่าเป็นผู้มีทวารอันปิดแล้วไปยานอันว่าบุคคลผู้มีอย่างนี้เป็นรูปอันลมมีกำลังอ่อนแอพัดอยู่ ย่อมไม่อาจเพื่ออันยังภูเขาอันประกอบแล้วด้วยศิลามีแท่งทึกอันเดียวให้วันไหวได้ขณะที่พัญญาเก่าของพระมหาการคุกคามแล้วกล่าวแล้วว่าบวชแล้วอัมลาซึ่งใครจงศึกจงนําออกซึ่งภาการสายะท่านใดนั้นอันว่าพระเทระกําหนดแล้วซึ่งอาการของหญิงเหล่านั้น ลุกขึ้นแล้วจะอาสนะแห่งตนนั่งแล้วเหาะขึ้นแล้วด้วยริดทำลายแล้วซึ่งช่อฟ้าเรือนไปแล้วด้วยอากาศ